มีคนเคยบอกกับเธอหรือยังว่าเธอน่ารักว่าเธอสวยเกินใครทั้งหมดเลยช่างถูกใจฉันเหลือเกินช่าง น, น่ามองบอกได้ไหมบ้านอยู่ห้นแห่งใดหรือว่าเจ้า คนสวยของเมืองภาแกลางหรือสาวงามของเมืองตา ย, ยอมรับตรงๆเลยว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิง เธอไม่ว่าอะไรก็ยิ่มกันสักนิดหนึ่งได้โปรดอย่าเพิ่งมองผ่านไปสนคนอื่นเพราะใจถึงใจของคนคนนี้มันยกให้เธอเป็นที่งนึชอบจริงๆเจ้าเอ๋ยรักจริงๆละเอ๋อจะอุจจะอีเจ้างเช่นไรชอบจริงๆเธอเอ๋ย รักจริงๆ้าวเธอต้องพูดพันเพื่อเธอจริงเขา ดาวจากเมืองเหนือหรืออีลาคำแพงแดดอีสานคนสวยของเมืองท่ากลางหรือสาวงามของเมืองตา ย, ยอมรับตรงๆเลยว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิ้มรู้ไหมเวลาที่เธอจอง เธอทำให้ใครคงมลงรักเธอก็ขอถามตรงๆเลยขอจิตเธอได้ไหมถ้าเธอไม่ว่าอะไรก็ยิ่งมีการสนิดหนึ่งได้โปรดอย่าเพิ่งมองผ่านไปสนคนอื่นเพราะใจถึงใจของคนคนนี้มันยกให้เธอเป็นที่ ชอบจริงๆเจ้าเอ๋ยรักจริงจริงลาเอ๋ยเจ้าอูจะาอีเจะาวาเช่นไรชอบจริงจริงเธอเอ๋ยรักจริงจริงสาวเฮยต้องพูดพันเพื่อเธอจึงเข้าใจชอบจริงจริงเจ้าเอ๋ยรักจริงจริงลาเอ๋ย เธอเอ๋ยรักจริงจริง้าเฮ่อต้องพูดพันเพือเธอจึงเข้าใจชอบจริงๆเจ้าเอ๋ยรักจริงจริงลายเอ๋ยจะอูเจ้อีเจ้าวังเช่นไรชอบจริงๆเธอเอ๋ยรักจริงจริงสาวเฮ่อต้องพูดพันพพือเธอจึงเข้าใจ